สดีคุยเรื่องมักมีองแปดก็นึกไปถึงคุณหลังสันคุณหลังสรค์เขาวันนึงแบบว่ากระติดรถเข้าไปก็นั่งกันไปเงียบๆอยู่เสร็จแล้วเขาก็พล่งขึ้นมาบอกว่าพี่การันตามักมีองแปดของพี่่นะมันก็ดีทุกองค์นะแต่พี่ต้องแก้ไขสัมมาวาจา j a ของพี่ตอน น, นนั่งอยู่คู่วาร์ ก, กากเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถามก็เหมือนกันว่าก็เลยแกล้งถามว่าคุณหลังสันได้ยินใครพูดมาเข้าหูหรือ ย, ยังไงบอกเปล่าผมโดนเอง <c oughs> ก็มไม่ทราบเหมือนกันจําไม่ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะสนใจเรื่องอริยศาสตร์นี่ก็จะสนใจสองอันแรกคือทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์ก็ทุกขศาสตร์ก็เป็นเรื่องกําหนดรู้แล้วก็สมุทัยก็เป็นเรื่องละก็เวลาเจริญก็จะแบบว่าดูว่าตอนนี้ เ, เรามีอะไระที่เกิดขึ้นที่เป็นอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่จะต้องละแล้วก็ จเจริญธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อละขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นแตทางคาประหารหรือว่าวิคำพระนภาหารก็เป็นการละชั่วคราวขณะนั้นแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าว่างๆจิตปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีอกุศลอะไรที่เกิดขึ้นเด่นชัดกลุ่มล ม, ลมเป็นนิวรุนแรงตอนนั้นก็จะใช้วิธีทําปริญญาซึ่งมันก็เป็นมรรคองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองแต่ส่วนข้ออื่นๆที่แบบว่า คิดว่ามันส่วนใหญ่ที่ที่เป็นหลักปฏิบัติเองก็เป็นใช้ลักษณะตามการอย่างก็จะสังเกตว่าเอ๊ะตอนนี้ควรจะทำอะไรควรจะคมจิตยกจิตควรจะศึกษาควรจะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ทราบตอบตรงประเด็นหรือเปล่าพอดีเมื่อกี้นั่งคิดถึงเรื่องคุณลังสันอยู่พอดีคือถามมาาเวลาเจริญเนคข ม, มวิตตกเนี่ยนะฮะเราต้องมาเจริญโดยที่เราตั้งใจมเออเราตั้ง ระยะนี้เราตั้งใจเจริญเน่คัมมาวิตกนะเพราะว่าเราสังเกต ด, ดูว่าจิตเรานี่ตกไปในอกุศลคิดไปในเรื่องกอกุศลง่ายๆนะอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเราตั้งใจเจริญไหมและขณะที่เจริญเนี่ยถ้าเราต้องน้อมไปแม้ว่านี้เราเจริญเพื่ออะไรน้อมไปในวิเวกไหมเรื่องสัมมาสังกัปปะนี้นะคะก็ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าพูดถึงมันก็มันก็ละเอียดแล้วมันก็ยากกว่าสัมมาทิฏฐิ แต่ว่าจริงในความเป็นจริงนี้แบบว่าเราก็จะมีมิจฉา ส, สังกปะปุ้มลุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเวลาที่พระอาจารย์พูดแบบว่าอะไรนะที่อาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปในพนิพานในการสละคืนอะไรพวกนี้ตอนแรกๆ ก, ก็ไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกว่ามันเป็นสูตรที่มันค่อนข้างเจ เป็นนามมาทำเป็นจับต้องไม่ได้อะแต่พอตอนหลังฟังมากมากมากๆขึ้นก็แบบว่าก็พอจะจับข้อสรุปได้ว่าไม่ว่าจ ะ, จะเจริญกุศลอะไรทุกประการเราก็แบบว่าไม่ใช่อ่ ะ, จะเจริญกุศลเพื่อตรงนั้นล้วนๆแต่ก็ต้องน้อมไปเพื่อการละเพื่อการสละและเพื่อการสูงสุดก็คือว่าน้อมไปเพื่อจะสลัดทื้นไม่ทราบว่าความเข้าใจอย่างนี้จะถูกหรือเปล่านะคะพอหลังจากเข้าใจแบบนี้แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสัมมาสังกัปปะหรือว่าการจะเจริญทุกๆองค์นี้ก็จะพยายามที่แบบว่าก็จะให้น้อมต่อไปเลยไปที่แบบว่าให้ไปถึงแบบว่าเพื่อการสละอะไรอย่างงี้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือตอบถูกหรือเปล่านะก่อนที่เราเจริญกุศลกันเราก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะหรือแจ้งอริยสัจธรรมเพื่อที่จะให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้น ตนนั้นก็ชื่อว่าเป็นการเริ่มที่จะมีการน้อมไปไหมครัแต่ว่าขณะที่เจริญกุศลแต่ละครั้งหรือว่าทำปริญญาหรือว่าใคร้คลวนธรรมะตึกไปในธรรมะต่างๆเนี่ยจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการที่จะตึกในการที่จะใคร้ายคลวนทำปริญญานั้นนะเพื่ออะไรอันนี้ก็แม้วแต่ว่าการน้อมไปว่ามีการใส่ใจหรือว่า ใครควรมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าจุดประสงค์ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอุปนิสัยที่ทําให้การทําปริญญาเนี่ยก็มีจุดที่จะค่อยๆมั่นคงขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่แสดงหรือ ว, ว่าเจริญสัมโพชงจาระองค์ที่จะมีการโน้มไปโน้มไปโอนไปหรือว่าเพื่อที่จะสละออกจากวัตฏะเชิญการเพิ่มเติม ไม่ใช่ระดับสูงอะไรนะคือเราสังเกตดูว่าเวลาเราทําปริญญานะเมื่อพระอาจารย์นะหรือว่าในคัมภีร์บอกไว้ว่าปริญญาเป็นเรื่องสําคัญนะเราก็ทําปริญญาใช่ไหมเพราะว่าการทําปริญญาเราก็รู้หลักการอยู่แล้วว่าการทําปริญญาคืออะไรใช่ไหมก็คือการวิจัยการวิจัยอะไรก็วิจัยถ้าวิจัยก็เอาขันธ์ห้าหนำมาวิจัยถ้าเอารูปหรือจะเอาเวทนามาวิจัยเราก็พอรู้ลหลัก ตามลงไปหาตัวปัจจัยตัวสาเหตุทั้งคุณทั้งโทษทั้งอะไรสารพัดที่จะรอบรู้ได้เนี่ยจนกว่าจะเนี่ยเราก็ลองดูได้ใช่ไหมครับตอนนี้เพราะพ่อเราลองเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างนั้นเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าปริญตาเราน้อยอย่างหนึ่งแล้วก็สมาธิเราเราก็ไม่ดีแล้วก็ไอ้สัมมาสังคขปะเราก็ไม่ค่อยสัมมาเลยนะโดยมากจะเป็นมิจฉาสังคัขปะเนี่ยนะ ผมก็เลยนึกว่ า, าสิกขาล่างๆเนี่ยเราควรจะให้ความสนใจมากๆทีเดียวนะไม่ตางว่าอาจารย์อีสมีอะไรเพริ่มเติมมั้ยอาจารย์ตันติก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลักการก็ฟังอาจารย์สมบัติแสดงในเทปแล้วก็สนทนาส่วนตัวก็ยมีสนทนาก็พอจะรู้หลักการ น, นะครับว่าการทําปริญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําให้ติดต่อต่อเนื่องแต่ว่าที่ทํา ติดต่อต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยก็ อ, อุปสรรคจากที่แสดงแล้วว่าอย่างหนึ่งก็คือนิวรณ์แต่นิวรณ์เหล่านี้มันก็มีอาหารมันก็มีปัจจัยทั้นการที่นิวรณ์ก้มรวมก็เพราะว่ามีทุจริตทั้งกายทั้งวาจาหรือว่าไม่มีทางกายทางวาจา ก, ก็ทางใจดังนั้นทุจริตเหล่านี้ก็จากการที่จะมีการไม่สำรวมอินทรีย์แรงต่างดังนั้นอุปสรรคต่างๆที่จะปรุงแต่งย่่าตาไม่มีการ ทำปริญญาอย่างต่อเนื่องเนี่ยคิดว่าไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็สัปายะก็หลายอย่างทั้งบุคคลทั้งสถานที่นะครับหลายเรื่องหลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่คนที่หวังนิพพานจริงๆเนี่ยคงจะต้องทุ่มเทมากๆต้งเสสละมากๆกิเลส ท, ที่เป็นอุปนิสัยของบางคนอุปนิสัยกิเลส ท, ที่มีกําลังของแต่ละคนก็แตกต่างกัน นั้นบางทีกิเลสที่มีกําลังเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะบางอย่างเนี่ยเรายอมหมดนะฮะเราเราให้ทานบางคนก็ให้ได้มากแต่บางคนก็อ่อนน้อ ม, ะมนะบางคนก็ทำหลายๆเรื่องแต่ว่ากิเลสบางตัวมันก็ไม่ยอมมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องศึกษาจนกระทั่งเป็นตัวหูสูตรมากจริงๆแล้วการบ่มอินทรีย์เหล่านี้ถ้าอินทรีพร้อมเพียงพอก็คงจะต้องหาทางออก ถ้าคนที่มีปัญญาเห็นโทษทุกข์ของวัฏฏะจริงๆก็คงจะต้องต้องหาทางออกให้ได้ก็คงจะต้องบ่มจากการฟังพิจารณาแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแนวทางปฏิบัติตามแนวคัมภีร์อย่างนี้เนี่ยนะเอาพูดไไง่ายๆว่าคนที่อยู่นอกวงการเนี่ยพอเ้าได้ฟังเรื่องว่าออจะทำปริญญาเนี่ยเขามุ่งไปที่ทำปริญญาเนี่ยนะวะ แต่เขาไม่เคยคิดว่าไอ้ข้างหน้าสิกขาหน้าสีละสีขากับจิตสีขาน่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะเขาจะไม่ค่อยคิดค่อเห็นจะเป็นเรื่องไม่สําคัญแม้แต่เราเองอ่ะให้ความสําคัญก็ไม่เท่าไม่มากนะเราจริงๆนะไม่มากนั่นในเรื่องศีลสิกขากับจิตสิกขาเนี่ยเรามักจะมองว่าอืมสบายง่ายสบาย แล้วเราเขาจะมาตั้งคําถามตัวเองว่าเฮ้ยการเจริญทำปริญญานี่มันเป็นเรื่องการตึกมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตึกแล้วทําให้เกิดบรรลุมรรคผลได้ยังไงเนี่ยถ้าเราจะมาสงสัยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าสิกขาแรกๆเราไม่ใค้ความสําคัญเลยและเพราะว่าในระดับปัญญาสิขาเนี่อย่างที่อาจารย์ทันติบอกนะโอ้โหมันมีปัจจัยมากมายทีเดียวนะ ทั้งอุปนิสัยทั้งสปายาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะทั้งปริยัติทั้งมากมายทีเดียวนะโดยเฉพาะส ป, ปายานี่เถอะแล้วเราเป็นเนี่ยเป็นคารวาเนี่ยส ป, ปายาเนี่ยเราก็ไม่ใชหาง่ายๆนะงั้นพระองค์งตรัดไว้เลยนะบอกว่าเออนี่เวลาทํางานเวลาเดินทางนะมันไม่เหมาะกับการที่จะทําปริญญานะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นรีบทํา้ะตอนที่ยังไม่ได้เดินทางตอนที่ยังไม่ป่วยนะว่างั้น ยังไม่ป่วยยังไม่ไปเดินทางยังไม่ทําการงานอะไรนี่เนี่ยให้รีบทามเสียที่ในพระสูตรท่านบอกไว้ตรงๆอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพิปัญญาจะไปเจริญที่ไหนก็ไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเลยนะต้องอาศัยสถานที่ส ป, ปายะทีเดียวแหละเนี่ยเราคารว่าเนี่ยนะแล้วเรามามาคำนึงว่าเฮ้ยทาไมเราทําปัญญาไม่ก็ได้ตัวสปายะตัวเดียวเราก็แย่แล้วนี้นะถ้าบอกอย่างนี้เลยนะเวลาเดินทางเนี่ยนะ ไม่สบายะจําหรับการที่จะไปตึกนะแต่ว่าไม่ใช่ไปเอาตัวอย่างพระที่ท่านอินทรีย์ท่านเต็มเปี่ยมแล้วเห็นนางฟ้อนลําอยู่กลางพระนครเนกระนาบินดับบาเนี่ยนะนน ท, นยนะท่านก็สามารถบรรลุได้ไม่เถียงแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นได้อินทรีย์เต็มเปี่ยมมันแน่นอนแต่สำหรับคนที่ C, อินทร์ศรีพ่องๆแรงๆเงี้ยเนี่ยอาจารย์ว่าตับพายาเนี่ยผมเห็นด้วยมากเลยคิดว่ารุ่นเราก็เป็นรุ่นสังสมอุปนิสัยนะครับคงจะเอาให้เหมือนกับ ผู้ที่ท่านอินทรีย์พร้อมบริบูรณ์ก็ถ้าอาจารย์ก็ให้กําลังใจว่าควรจะตั้งเป้าหมายนี่ก็จะบรรลุนในชาตินี้แต่ว่าวันวันหนึ่งทําปริญญาได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็ควรจะต้องพิจารณานะครับแต่การตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็มีความเพียรกระทําไปตามที่ตั้งความปรารถนาเพราะว่าบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราตั้งไว้แต่ว่าเราไม่ทําตาม บางที่คนเตือนเราเราก็ยังไม่อยากจะฟังเท่าไหร่แต่ว่าเราตั้งเอาไว้แล้วมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมันขัดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการสังสมอุวิสัยแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อาศัยความเพียรอาศัยความพยายามแล้วก็การะยานิมิตรก็สําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะพอรู้อย่างอ่านคนเดียว ก็ยังกวงกตาว่าก็อ่านแล้วก็เข้าใจตามพยัญชนะแต่ว่าการที่จะรู้แต่ฉานละเอียดแทงตลอดในในอัฏฐะของธรรมา น, นั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพรปฉะนั้นพรูพเจ้าก็ทรงแสดงว่ากริยาณมิตรนี้เป็นตัวพรหมจันทร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คงจะต้องอาศัยกริยาณมิตรไปแล้วก็สั่งสมความเป็นพะูะสูตไปจนกระทั่งตัวเองพอที่จะแน่ใจได้ว่า มีความเข้าใจในพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะศึกษาหรือว่าสามารถที่จะหลีกเล่นไปไปบำเพ็ญเพียรอะไรนั่นซึ่งคิดว่าเป็นอัธยาศัยของจะเรียกว่าผู้มีอัธยาศัยใหญ่จริงๆที่สามารถที่จะออกไปได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าความผูกพันหรือว่าความติดข้องของเราคาราวารเนี่ยซึ่งประกาศตนอยู่แล้วว่าเป็นเป็นผู้ที่ยังติดข้องในกาลมากไม่สามารถที่จะสละเรือนได้เนี่ย การที่อยู่ครองเรือนแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำไปตามสติกำลังางานที่เราสวดทำวัดเช้านะครับก็คงจะเท่าที่สามารถที่จะบําเพ็ญได้จนะทั้งสิ้นชีวิตนี้เพื่งแต่ละคนก็คงจะไม่ละคงไม่ได้ทิ้งพระาศาสนาไปสังสมเป็นอุปิสัยไปชาติต่อไปสงสัยข้อว่าสัมมาอาชีวะว่าไม่ทราบว่า จะเรียกว่าทำปริญญาหรือว่าอะไรคงไม่ใช่เพราะว่าฉันต้วคิดว่าทำงานอยู่เนี่ยสมมุติว่าเราทำงานให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมันก็คือหาผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นกับเลี้ยงคนงานก็คือโอเคจะสามร้อยห้าร้อยคนประมาณนี้แทีนี้ถ้ า, าคิดว่าถ้าเราไปทำงานบริษัทอื่นซึ่งอย่างสมมติแมนพาเวอร์แมนพาเวอร์คือส่งคนออก ไปทาํางานสามประเทศรถหนึ่งรถหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพันแล้วจต่ไซสงานสามพันห้าพันแล้วแต่แต่และประเทศก็คิดว่าเออมันช่วยคนได้มากกว่าเป็นประโยชน์มากกว่าจริงๆแล้วเราก็ทํางานสิบแปดชั่วโมงเท่ากันเนี่ยเวลาเท่ากันเงินเดือนเท่ากันเนี่ยแต่ผลประโยชน์มันได้ประโยชน์กับคนมากกว่าเาก็ไม่ต้องสมมุติเราต ก, กลาออกเลยเราก็คิดว่าไปทําบริษัทอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรึกไม่ใช่ทําปริญญา แต่ว่าปฏิบัติไปเลยเนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่ทําปริญญาใช่ไหมคะคือคิดแล้วก็ทําไปเลยแล้วก็ก็คิดว่ามันอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะกว่ากว่ า, วาอีกอันอันเดิมไหมใครใครจะช่วยต่อ บ, บ้างเพระราอาจารย์ไม่ค่อยสบายใครจะในยกมือที่ใครจะตอบบ้างขอบคุณการตากรณีที่พี่โตยกตัวอย่างนะโดยส่วนตัวมันฟังดูมันเป็นเรื่องของ สังคมสงเคราะห์มากกว่ามันไม่น่าจะใช่ในแง่ของสัมมาอาชีวะคิดว่าสัมมาอาชีวะตัวนี้มันเป็นวีรตีมันเป็นการละเว้นจากการประกอบอาชีพในทางที่ผิดที่เป็นอกุศลอย่างเช่นค้าอาวุธค้าสุราแต่อย่างที่พี่โตคิดว่าเอ๊ะเราทําอาชีพนี้แล้วก็เปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นซึ่งจะช่วยให้คนมีอาชีพได้มากกว่า จริงๆมันในความเห็นส่วนตัวคิดว่าประเด็นนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะประเด็นนี้นะคะมันเป็นลักษณะสังคมสงเคราะห์มากกว่าแต่ถ้าลักษณะที่เป็นสัมมาอาชีวะน่าจะเป็นกรณีอย่างเช่นว่าพี่โตนี่เขาเป็นบัญชีเขาจะต้องเป็นบัญชีที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อนายจ้างซื่อสัตย์ต่อการงานไม่หาวิธีที่จะทําบัญชีโกงโกงภาษีรัฐบาลหรือ ว, ว่าโกงเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ซึ่งตรงนี้สัมมาอาชีวะตรงนี้ถ้าจะในแง่ที่ว่าอาชีพไหนเป็นสัมมาอาชีวะกว่าอาชีพไหนมันก็คงจะในแง่ว่าอาชีพนั้ <hes S 1> นเป็นบาปอกุศลหรือไม่ถ้าอาชีพนั้นไม่เป็นบาปตัวอาชีพนั้นมันก็เป็นสัมมาอาชีวะนี่ประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะที่เราอยู่นี่ทุกๆวันเราจะเป็นสัมมาอาชีวะได้ยังไงเราจะคิด ให้ไม่เป็นอกุศลอย่างไงแล้วเราจะพูดไม่เป็นอกุศลอย่างไงเราจะทําไม่เป็นอกุศลอย่างไงอ่าอาชีพของเรานี้จะเกี่ยวข้องกับศีลได้ยังไงบ้างกับเพื่อนร่วมงานกับงานที่เราทํากับอะไรคิดว่าประเด็นที่เป็นสัมมาอาชีวะนี้น่าจะน่าจะเน้นตรงที่ตัวเป็นตัวศีลตัววิรัตจากทุจริตมากกว่าที่จะเน้นว่าอาชีพไหนจะช่วยคนได้มากกว่าจะดีกว่าอะไรไง เท่าที่คิดได้ตอนนี้ก็อย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นอย่างในกรณีสมมุติว่าทำงานอยู่บริษัทชุราทิพต์แล้วเราก็เป็นบัญชีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้โกงเออไม่ได้ทำอะไรให้หนีภาษีให้อะไรเนี่ยเราก็สัมมาอาชีวะในหน้าที่ของเราแต่ในกิจการที่เราทำมันค้าน้ำเมาอยาเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะไหมก็ยังเป็นสัมมาอาชีวะหรอสาหรับความเห็นส่วนตัวนะคะอย่างเช่นว่า ถ้าพิโตทํางานอยู่โรงค่าสัตว์แล้วเป็นบัญชีอย่างนี้ฆ่าหมูค่าไก่ทุกวันอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นสัมมาอาชีวะเพราะว่าถ้าดูแบบว่าหน้าที่โดยตรงก็ไม่ได้เป็นคนเชือดคอไก่โดยตรงแต่ว่าโดยอ้อมนะคะงานที่เราทําเนี่ยพี่โตต้องคิดทุกวันว่าวันนี้ไก่เข้ากี่ตัวตายกี่ตัวได้กําไรกี่ตัวจะวิธีไหนที่จะว่าลดต้นทุนวิธีไหนที่ว่าจะให้ได้กําไรมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นการสนับสนุน มิจฉาอาชีวะโดยอ้อมเพราะถ้าการค้าน้ําเมาเนี่ยจริงอยู่ว่าเราไม่ได้เป็นคนไปต้มแล้วเป็นคนขายสุราให้พวกที่กําลังกงอยู่โดยตรงแต่ว่าเราก็ต้องมีส่วนที่จะได้ในจัดการจัดการให้บริษัทนั้นอยู่ได้ดํารงอยู่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ได้กําไรมากที่สุดประโยชน์สูงสุดซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของลูกจ้างที่จะต้องทําเพื่อให้สนองบริษัท เพนั้นตรงนี้บางทีเราก็เลือกได้การเป็นนักบัญชีที่ดีนี้ไม่ได้เป็นว่าไม่ต้องเลือกว่าบัญชีที่ไหนมันก็น่าจะมีบริษัทที่ดีๆที่ว่าพอเราทําแล้วเราไม่เกิดอวิปปิสารเพราะว่าถ้าศีลที่บริสุทธิ์ที่ดีแล้วผลของศีลก็คืออวิปปิสารนั่นเองก็เหมือนอย่างกรณีที่ว่ากรณีที่เราเป็นพยาบาลอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นอาชีพที่แบบว่าคือถ้าทําให้ดีๆอะ มันก็เป็นทั้งสังคมสงเคราะห์ด้วยแล้วมันทั้งศีลด้วยได้บุญด้วยได้อะไรหลายอย่างด้วยคิดว่าในเงื่อนไขของสังคมประชาธิปไตยแบบเรานะคะมันน่าจะมีโอกาสที่จะเลือกเลือกอาชีพที่แบบว่าให้เราอาวิปริติศารน้อยที่สุดมันก็ให้เราวิปริติศาสน้อยที่สุดเพราะนการที่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่พี่โตว่าถ้าเราทําบัญชีเนี่ยเราทาบัญชีให้ดีที่สุดแต่เราไม่ต้องสนใจว่าบริษัทที่เราจะทํานั้น จะเป็นยังไงหรืออย่างกรณีที่ว่าย้ายจากบริษัทหนึ่งมาทำแมนพาวเวอร์ส่งคนไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดวันหลังเรารู้ขึ้นมาว่าอ้าวบริษัทของเราไปโกงคนงานอย่างนู้อย่างี้หรือคนงานของเราไปตกระกรรมลำบากอะไรอย่างนี้จริงอยู่เราไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่เราทำบัญชีแล้วก็ เ, เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอรอสักปักนะให้พวกผมคุยกันหลายคนนะอาจารย์อนนี้อาจารย์มังการเกี่ยวข้องกับบุคคลก็มีส่วนที่จะทาให้ เป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเพื่อนบาปได้หรือไม่ก็ได้นะครับเพราะถ้าเกลียดร้อนใจหรือว่าไม่แน่ใจก็ก็ไม่ควรทําแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจมั่นคงแ น, แน่วแน่ว่าเราจะไม่ทําบาปแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องกรรมผลกรรมเนี่ยซึ่งถ้าไปเกี่ยวข้องกับพวกทุจริตเนี่ยที่จะไม่เพื่อนบาปมันก็ยากที่จะไม่มีจิตยินดีไปมันก็ยากใช่ครับแต่ว่า ถ้ายังไม่มีทางไปจะพิจารณาอย่างไงที่จะทําให้จิตไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั่นเองแต่ว่าท้ายดีก็คือถ้าเราเศร้าหมองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเศร้ามองแล้วก็เป็นที่ตั้งของความลังเลยสงสัยด้วยก็ก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องแต่ว่าจะทําได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็พิจารณาสาหรับความเห็นของผมนะคือสัมมาอาชีวานีนะ ถ้มามาชีวะก็มาจากต้องมาจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาเนี่อ่ะถ้าสัมมาวาจาสัมมาคัมมันตานี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุจริตไหมนรรมาตรงนี้ก่อนว่างานการของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวาจาไหมแล้วก็กับการกระทําทางกายหรือไม่มี่นนะเพราะว่าวาจากับขานนั้นน่ะถ้ามันเกี่ยวเป็นเรื่องของอาชีพนั่นแนหะถ้ามันทุจริตอาชีพมันก็ต้องมันไม่สัมมา แต่คําว่าสัมมาอาชีวะในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครที่เมืองไม่รู้เรื่องธรรมดาธรรมดาม่ศึกษาธรรมะเลยก็เรียกได้หลอกสัมมาอาชีวะก็เรียกได้ครับสัมมาอาชีวะอย่างโลกโลกเขาเรียกกันแต่สัมมาอาชีวะในในลักษณะที่เ อ, อมีที่หมายปลายทางที่แน่นอนคือโลกุตระเนี่ยเป็นอธิศีลเป็นอธิศีลครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มีเรื่อง ค่อนข้างที่จะลึกไปอีกหน่อยเนี่นะฮะเป็นอาธิศีนี่ยังไงเดี๋ยวผมให้อาจารย์อาจารย์สันตนะิลองวิจารณ์หน่อยดิเนะี่ยว่าการรักษาศีนธรรมดาเนี่ยนเราก็ไม่ได้คดไม่ได้โค้งขายเนี่ยไปทํางานเนี่ยดนเงินเดือนกับมาเราก็ไม่ได้ไปฆ่าไปฆ่าไกลไม่ได้ไปฆ่าอะไรเลยแล้วแค่ทําบัญชีนั้นนั่นเองมันก็มันไม่ผิดศีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าห่างจะมันเป็นอาธิศีเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของสามองค์นั้นเนี่ยวิรตีเนี่ยนะฮะมันเป็นอาทิศีนจริงๆ นี่ยตอที่ศีลอธิจิตอธิปัญญาไม่ใช่เป็นศีลสมาธิปัญญาของผู้ที่ไม่รู้เหตุผลหรือว่าไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาดังการรักษาศีลที่จปรารถนาที่จะออกจากวัฏะเป็นการรักษาเพื่อที่จะลดละอกุศลเพื่อที่จะเป็นบาศเป็นฐานการนี้อบรมจิตตสิกขาอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาศีลของผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็ เพื่อที่จะอบรมจิตอบรมปัญญาเนี่ยก็จะเป็นอาทิศนความจริงแล้วนี่อาชีพในหลายอาชีพบางคนก็อาจจะเลือกไม่ได้บางคนก็เลือกได้ถ้าประโยชน์ค่าดีก็อาจจะเลือกได้ถ้าอย่างขั้นสูงสุดเลยนะครับของพระโสดาบรนท่านหนึ่งเนี่ยที่ท่านหยิบธนูหยิบเครื่องมือฆ่าสัตว์ให้กับสามีทั้งเป็นในพิานนะครับความจริงท่านก็น่าจะบอกสามีว่าเลิกฆ่าสัตว์ ได้แล้วอ่ะนยังไม่หุงข้าวให้กินนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นอาชีพอ่ะแต่ความที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์เจตนาแห่งการฆ่าไม่มีเลยมันก็เลยทําให้ท่านเนี่ยคือคงจะไปเลือกอาชีพอื่นไม่ได้หรือไงไม่สร้างนะครับท่านก็ยังทําหน้าที่ของท่านน่ะแต่ของปุถุชนเนี่ยสามีเผด็จการเลยนะครับแม่ท่านก็มีตามสามีเผด็จการไปแป้งของเราเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยมีเจตนาร่วมกับบาปของเขาหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทําแต่ถ้าเรามั่นคงว่าเราไม่มีเจตนาร่วมบาปของเขาเลยเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลให้ดีแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใครเขาหมึนเมาอยู่แล้วตอนนี้เราจะแน่ใจจิตของเราแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากะครับเพราะว่าวิสัยของผุ้รุ่นก็ได้รับอารมณ์ที่ดีก็ยินดีได้รับอารมณ์ไม่ดีก็ยินร้าย อันก็ไม่มั่นคงเหมือนกับพระสดาบันคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นภายในวัตฏะเพราะว่าเรื่องอุปนิสัยปัจจัยเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยเราเจรีกเลี่ยงว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้นเนี่ยยากถ้าเราอยู่ใกล้กับบุคคลใดนะซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ยนะถึงแม้จะทําดีไม่ดีก็าตามมีผลถึงเราด้วยด้วยอุปนิสัยปัจจัยนี่นะ มันมีผลถึงเราด้วยนะเช่นสมมุทิวาสมมุทิว่าพ่อแม่เรานะถ้าพ่อแม่เราเนี่ยทุศีเนี่ยนะเราก็มีส่วนมีส่วนด้วยใช่ไหมหรือว่าถ้าเรามีลูกนะที่ที่เขาประพฤติทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันมีส่วนถึงเราด้วยะมันหนีไม่พ้นเพราะท่านทํางานในลักษณะนี้เนี่ยทํางานในลักษณะที่มันเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ไม่ดีเนี่ยนะ ถามว่ามันมีผลไหมถึงเราไหมมันหนีไม่พ้นไม่มากก็ น, น้อยเนี่ยนะมันหนีไม่พ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจิงไม่ใช่คําตอบที่ง่ายนะักที่จะตอบว่าอ่ทีมนี้ดีหรือไม่ดีขึ้นขึ้น อ, อยู่กับที่ว่าเจตนาของของคุณโถนะคุตัวมีเจตนาในเรื่องนั้นหรือเปล่าเหมือนกับว่าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยท่านจะไม่ให้เปื้อนเลยเนี่ยนะมาพิพากษาลงโทษเขา ประหาชีวิตเขาแล้วจะไม่ให้ไม่ให้อสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาแปดเพื่อนเรามั่งเลยเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับเพราะอันนี้ก็ผมว่าเป็นคําตอบที่ไม่ง่ายนักนะฮะใครใครจะมีอะไรเสรมิมไหมครับถ้าไม่มีอ่ะคุณสุจินคือเท่าที่ใช้ที่ทํางานนะคะที่สัมมาอาชีวะว่าเป็นยังไงเนี่ยขณะที่เราทํางานเราจะสัมสัมมาอาชีพนี่มาจากสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะใช่ไหยคะ ค่ะคสัมมารกรรมตะในอาชีพค่ะคือขณะที่ทำงานจะพิจารณาว่าเนี่ยอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยข้อไหนเป็นไปกับสัมมาวาจาบ้างจะพิจารณาอย่างนี้นะคะแล้วก็สัมมารกรรมตะสามข้อเนี่ยเรามีหรือเปล่าคือจะพิจารณาอย่างนี้เราก็จะมีความดีใจว่าเรามั่นใจได้เลยว่าเรามีสัมมาอาชีพคือที่ใช้พิจารณ า, านะคะปัจจุบันแล้วก็ถ้าเราสาวได้ก็จะดีคือเรื่องสาวไปถึงสา ม, มาทิฐิอะค่ะเนื่องจากค่ะ ไม่ผิดในอาชีพนั้นๆค่ะค่ะการทำในอาชีพโรงพยาาค่ะค่ะค่ะอย่างองค์ของสัมมาวาจามันจะอยู่ในนั้นคือสัมมาวาจาคือการไม่พูดคําหยาบคบองค์หรือเปล่าเราพูดเพ้อเจอกับคนไข้หรือเปล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ด้วยกันหรือว่าเราพูดปดหรือเปล่าเงี้ยค่ะคือจะใช้พิจรารณาอย่างนี้ว่าเราอยู่ในองค์ไหนของมังแปะก็ไม่ทราบว่าพี่โตจะเป็นยังไงบ้าง คือที่จะใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยหน้าที่อยู่อย่างคือแจกยาค่าค่าพยาธิจะบอกผู้ลงงานเลยถ้ายานี้จะขอไม่แจกไม่งั้นคงไม่ทอดค่ะมีเท่านี้ซึ่งอาชีพอะไรในพระผู้มีพระเจ้พา พ, พระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วนะสิ่งที่ไม่ควรประกอบอาชีพอะไรบ้างมีอยู่แล้วชัดเจนเนะถ้าเราเข้าไปเกี่ยวเพราะข้องตรงๆก็ไม่ต้องพิจารณาว่าผิดหรือถูกหรอกชัดเจนมากเลยถ้าเกิดว่าเราค่าน้ําเมาโดยตรงค่าอาวุธโดยตรงค่ามนุษย์โดยตรงค่าสัตว์ โดยตรงไอ้เนี่ยถ้าตรงๆอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่สงสัยแต่ที่สงสัยว่าเอ้เราเข้าไปทําบัญชีให้อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้มันน่าขี้นะเปเดี๋ยวให้พระอาจารย์ลองจะสรุปดูตั้งหน่อยไหมครับหรือว่าใครจะเพิ่มเติมต่ออ่ะก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเรื่องสมาอาชีพคือมีเพื่อนธรรมะบางคนที่ทําอาชีพแบบว่าค้าขายพวกจิวเวอรี่เขาก็จะมีปัญหาที่แบบว่า วิปฏิสานเรื่อยเลยเพราะว่าอาชีพนี้มันจะต้องแบบว่าใช้วาจากับลูกค้าแล้วสินค้าที่ขายก็จะต้องแบบว่าให้ได้กำไรเยอะแล้วขณะเดียวกันคือด้านหนึ่งมันก็ไม่ใช่อาชีพหมวดที่ว่าฆ่าสัตว์อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เขาก็ไม่สบายใจที่ว่าวันๆนี่การจะขายให้ได้นี่มันต้องสัมผัสปลาปะอยู่แล้วการจะให้ได้กำไรเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งมันก็ มันก็กำไรเกินกนเพราะพวกจิวเวอรี่นี่มันก็จะต้องกําไรสูงอยู่แล้วหรือว่ามันก็จะมีเทคนิคทางการค้ามากมายซึ่งถ้าเขาจะแบบว่าไม่ให้ผิดซะเลยนี่เขาก็เขาคิดว่าเขาต้องไปหางานใหม่ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็หางานใหม่ไม่ได้ง่ายๆเขาก็จะต้องวิปปิสานอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเขาจะต้องคิดยังไงทีงจะเป็นความคิดที่ที่แยบคายในการที่แบบว่าดําเนินอาชีพที่เป็นอยู่นี้โดยที่แบบว่า ให้วิปฏิสารน้อยที่สุดแล้วให้เป็นพิชชาชีวาสน้อยที่สุดก็คิดว่ายัางไงถ้าพระอาจารย์ตอบเรื่องนี้ก็อยากจะให้แบบว่าพูดครอบคลุมไปถึงด้วยเลยค่ะเพชรพลอยแหวนเครื่องประดับอะไรนี้นะคะแบบว่าต้องขายให้ได้กําไรเยอะๆแล้วก็พวกนี้แบบว่ามันไม่ใช่เหมือนกับขายอาหารที่แบบว่าคนต้องทานมาละสามเวลาในานามจะขายได้ชิ้นหนึ่งมันก็ต้องขายให้ได้แบบว่ากําไรคุ้มกับการอยู่ได้อะไรย่างี้เขาก็แบบ เขาคนขายเขาก็จะวิปฏิสารมากว่าเอ๊ะเราเป็นวิชาชีวะหรือเปล่าเราผิดข้อไหนบ้างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ใช่เจ้าของร้านโดยตรงเขาเป็นเพียงแต่ลูกจ้างกินเงินเดือนไปวันวันงี้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาแบบว่าไม่ให้ได้กําไรเลยนี้เขาก็ผิดต่อนายจ้างแล้วถ้าใหเขาได้กําไรมากนี้เขาก็ผิดต่อลูกค้าแล้วแล้วก็การจะขายได้ก็ต้องสัมผัสตลาป่าต้องอะไรนี้ก็จะก็จะมีปัญหามากก็จะต้องแบบว่า โดยตัวแล้วต้องต้องคอยตอบปัญหาแบบนี้มากเลยก็อยากจะได้ให้พระอาจารย์พูดครอบคุมไปถึงจุดนี้ด้วยค่ะเรียกว่าถ้าขายตรงๆไปตรงมาเนี่ยเรียกว่าไม่สําเร็จใช่ไหมไม่สําเร็จใช่ไหมก่อนที่จะให้พระอาจารย์ตอบนะผมอยากเลยไปนิดนึงนะแต่ก่อนนี้ผมก็นึกว่าเอ๊ะสัมมาอาชีวะเรื่องอาชีพเขาไม่อยู่ในอริยมรตมีองค์แปดนึกไม่ถึงว่าไอ้สิ่งอื่นที่สําคัญต้องเยอะแยะทําห้ไม่เข้าไปอยู่ในอริยมรตมีองค์แปดมั่งนะ ผมนึงในใจนะผมก็มาคิดดูมาอินเดียคราวนี้เนี่ยผมเห็นว่าเข้ามาอินเดียนะเห็นภาพในเรื่องสังงนะมมาอาชีพอย่างหนึ่งนะหรือว่ามิชชัอาชีพอย่างนึงเนี่ยนะว่าทําไมจึงเข้าไปอยน์ในอริยมมากมีอปดเพราะว่าปกติเนี่ยนะอาชีพเนี่ยนะถ้าสมมติเราเป็นอาชีพค้าขายจิบเบลลี่เนี่ยนะก็มีเพชรพลอยเนี่ยเป็นสินค้าถ้าค้าขายที่ดินก็มีที่ดินเป็นสินค้าถ้ามีสุราก็มีสุราเป็นสินค้า ถ้าขายแรงงานก็มีคนมีแรงงานเป็นสินค้าใช่ไหมแต่มาอินเดียเขานี้นี่ผมมองเห็นผู้ที่เขามิจฉาทิฏฐิที่เขามีหลายหลากหลายนี่ผมค่อมองเห็นว่าเออทิฏฐินี่มันเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะเพราะมันนำนำมาซึ่งทรัพย์สินหรือว่านํามาซึ่งอาหารทําให้ผู้นั้นเนี่ยนะเผอแพ่ทิฏฐินั้นไปแล้วได้สิ่งตอบแทนมาโอ้มีเยอะเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทิฏฐิประเภทนี้มากมายทีเดียว เพราะนั้นเราจึงจัดให้ว่าไอ้ทิฐที่นี่เป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะวันนี้ผมตึกเอาเองนะเป็นทิกทีนี่เป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะวันนี้พอเรามาดูนะว่าเรามองเห็นว่าไอ้ทิฐทีหยาบๆยาบเนี่ยมันเป็นสินค้ายัางทำเงินได้ทำอาหารได้ใช่ไหม